บทที่สิบสองถูกฟ้าผ่าอีกครั้งก่อนเข้าพรรษาในปีถัดมาสมภารวัดป่ามะม่วงก็ถูกฟ้าผ่าอีกครั้งกรรมที่เคยสาบานไว้กับโยมยายยังให้ผลไม่หมดนั่นเองฟ้าผ่าคราวนี้ทำให้ท่านหูหนวกไม่สามารถจะได้ยินเสียงใดๆไม่ว่าจะดังแค่ไหนก็หาได้ยินไม่ญาติโยมตกลงกันว่าจะนาท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลในบางกอก เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยกว่าโรงพยาบาลต่างจังหวัดเมื่อทุกคนตกลงตามนี้แล้วจึงกราบเรียนท่านให้ทราบโดยเขียนเป็นตัวหนังสือถวายให้อ่านอาตมาไม่ไปหลอกโยมเรื่องของเวรของกรรมไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้จริงอยู่โรคบางอย่างหมอก็รักษาให้หายขาดได้ แต่โรคที่อตมาเป็นเขาเรียกว่าโรคเวนโรคกรรมคือเกิดจากเวนติดทมกรรมที่ก่อไม่มีมดหมอที่ไหนจะรักษาได้ต้องรอให้มันหายเองไม่เป็นไรหรอกอีกหกเดือนก็หายท่านอธิบายให้โยมฟังก็ยังดีที่ท่านพูดจาได้ตามปกติเพียงแต่ประสาทหูรับเสียงไม่ได้เท่านั้น ช่วงที่หูใช้การไม่ได้ท่านยังคงออกบินธบาตตามปกติโดยสามนเณรจอยทำหน้าที่พายเรือให้เช่นเคยเมื่อญาติโยมมาใส่บาตรพูดจาทักทายท่านก็เพียงแต่ยิ้มยิ้มและหากจําเป็นจะต้องตอบเนนจอยก็จะทำหน้าที่ตอบแทนเดือนต่อมาท่านลื่นล้มในห้องน้ำสติเตือนว่าให้ยกศรีรษะไว้หากไม่ทันระวังแขน ผลก็คือแขนข้างขวาหักและท่านก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าทำน้ำมนต์นวดเดือนเดียวก็หายท่านบอกเนนหลานชายเป็นอันว่าเนนจ่อยก็ต้องออกบินทบาทแต่เพียงรูปเดียวแรกๆก็ได้ข้าวปลาอาหารพอแบ่งปันหลวงนาครั้นนานข้าก็ตกที่นั่งลำบาก พระว่าญาติโยมคงพากันคิดว่าทำบุญกับเนนนั้นได้อานิสงส์น้อยกว่าทำกับพระจึงไม่ค่อยจะใส่บาตรกันด้วยเหตุนี้ทั้งพระนาชายและเนนหลานชายจึงสูผ้ผอมจนผิดรูปผิดร่างกระนั้นก็ไม่เคยปริ ป, ปากบ่นให้ผู้ใดรู้สมัยที่ท่านยังแขนขาดีเมื่อบินทบาทมาได้มาก ก็แบ่งปันให้พระลูกวัดได้ฉันกันอย่างอิ่มท้องครั้นพอท่านตกอยู่ในภาวะที่ช่วยตัวเองไม่ได้กลับไม่มีพระเนนรูปใดยื่นมือเข้าช่วยเหลือบุคคลเดียวที่ท่านรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจและรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณก็คือโยมโถ ổ. แม้วาฐานะจะยากจนแต่แกก็มีพัฒหารมาถวายตามมีตามเกิดบางวันก็เป็นข้าวหนึ่งขัน แกงหนึ่งถ้วยบางวันก็น้ำพริกผักต้มและบางวันก็มีเพียงข้าวเ ป, ปล่าซึ่งเนนจอยก็นำน้ำปลาใส่ถ้วยมาให้ท่านครุกข้าวฉันสมภารวัดป่ามะม่วงท่านรู้ตระหนักถึงภาวะที่เรียกกันว่าพระสุขเข้าพระเสาแซกในยามนี้นี่เองอย่างไรก็ตามการสอนวิปัสสนากรรมฐานยังคงดำเนินต่อไปตามปกติ สมภารท่านก็เป็นแบบอย่างของนักต่อสู้ผู้อดทนอดกลั้นไม่วัาทุกกายจะมารุมเร้าสักเพียงใดก็มิอาจจะส่งผลกระทบไปยังใจได้เพราะจิตของท่านนั้นตั้งมั่นมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญจึงยังคงสอนกรรมฐานให้แก่ญาติโยมที่มาขอเรียนการสอบอารมณ์ท่านก็พูด ร, มรวมๆใครเกิดสภาวะธรรมอย่างไร ก็รับคําแนะนำของท่านไปปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่สภาวะธรรมผิดแพกแตกต่างไปจากผู้อื่นจริงๆบุคคลนั้นก็ใช้วิธีเขียนให้ท่านอ่านและท่านก็แนะนำแก้ไขด้วยวาจาจึงกล่าวได้ว่าอาการอาภาษ์เจ็บป่วยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติสมณกิจของท่านแต่อย่างใด หเดือนผ่านไปจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็หายจากโรคหูหนวกท่านสามารถได้ยินเสียงต่างๆได้เช่นปกตินางโถดีใจจนน้ำหูน้ำตาไหลวันนี้นางทําแกงเลียงมาถวายท่านและก็มีรดช่องน้ำกะทิเป็นของหวานของสองอย่างนี้นางปรุงมาสุดฝีมือเพื่อฉลองในโอกาสที่สมพานหายอาพาธจากโรคหูหนวก ท่านสมพานรู้สึกเป็นยังไงบ้างจ๊ะช่วงที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยน่นนะนางโถเริ่มสัมภาษณ์โลกมันเงียบเชียบเฉละโยมเอ้ยแต่ก็ดีไปอย่างหนึ่งที่อาตมาไม่ต้องเสียงหนอเหมือนแต่ก่อนเพราะไม่ได้ยินแล้วอย่างไหนดีกว่ากันล่ะจ๊ะโลกเงียบกับโลกมีเสียงนะ่ะสตรี วยเดียวกับโยมมาดาของท่านยังคงอยากรู้อย่างไหนดีนะหรือเอถ้าโยมเป็นอาตมาโยมคิดว่าอย่างไหนดีกว่ากันล่ะท่านย้อนอีฉันคิดว่าไม่ได้ยินดีกว่าจ้ะเพราะว่าเราไม่ต้องกำหนดเสียงนอกิเลสทางหูมันก็ไม่เกิดจะได้บรรลุธรรมเร็วๆยังไงล่ะจ้ะนางโถตอบ แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นสิโยมไม่งั้นคนตาบอดหูหนวกก็เป็นพระอรหันต์กันไปหมดแล้วนะสินี่แสดงว่าโยมยังไม่เข้าใจเรื่องของสภาวธรรมวิธีทําให้กิเลสหมดไม่ใช่เพราะกิเลสไม่มีเหมือนกับว่าเสียงไม่มีเพราะหูเราหนวกแต่ความจริงมีอยู่ว่าแม้หูจะได้ยินเสียงตาเห็นรูป แต่เราก็สามารถรู้เท่าทันเอาสติไปกำหนดบันให้ทันพูดให้เข้าใจง่ายก็คือแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางกิเลสแต่ก็ไม่ถูกกิเลสชักจูงไปเปรียบเสมือนหยดน้ำบนใบบัวหรือว่าเมล็ดงาบนปลายหอกฉะนั้นท่านอธิบายอีฉันก็พอจะเข้าใจจะ้ะหยดน้ำบนใบบัวย่อมไม่ทําให้บัวเปียก มเมล็ดงาบนปลายหอกย่อมไม่ติดอยู่ได้ก็เปรียบเสมือนผู้หมดกิเลสสามารถอยู่ถ่ำกลางกิเลสได้โดยไม่ถูกมันครอบงำอย่างนั้นใช่หรือเปล่าล่ะจ๊ะโยมเข้าใจถูกต้องแล้วล่ะจ๊ะอ๋อโยมแตบมาพอดีเป็นอย่างไรบ้างโยมปฏิบัติก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วท่านทักนางแต้ม ไม่ก้าวหน้าเลยจากท่านสมพานยิ่งปฏิบัติดูเหมือนยิ่งแย่ลงแย่ลงไม่รู้เป็นอะไรนางแต้มตอบหลังจากที่กราบเบญจางคับปิดสามครั้งแล้วโยมไม่คิดไปเองนะเอาละอัตมาจะสอบอารมณ์ให้โยมโถอย่าเพิ่งกลับนะท่านสั่งนางโถจา อีชั้นขอนั่งฟังด้วยอีกสักคนหนึ่งแล้วการสอบอารมณ์ก็เริ่มขึ้นผลปรากฏออกมาว่านางแต้มปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเลยสักนิดหนึ่งดังที่นางออกตัวไว้พระเจริรู้สึกแปลกใจจึงกำหนดเห็นหนอเพื่อสอบหาสาเหตุแล้วจะอาวาสวัดป่ามะม่วงก็ได้ทราบสาเหตุที่นางแต้มปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะกรรมที่เคยทาไวกับสามี ที่กำนันเขียวล้มป่วยเพราะถูกนางแต้มใช้เท้าผลักอย่างแรงจนตกบันไดแม้จะไม่ตายในทันทีแต่ว่าบาปกรรมนั้นก็ทำให้ผู้กระทำไม่สามารถก้าวหน้าในคุณงามความดีได้ท่านจึงพูดตรงๆว่าอาตมารู้สาเหตุแล้วอย่างนี้นี่เองที่โยมถึงได้ปฏิบัติไม่ก้าวหน้าต้องทำพิธีกรรมเสก่อน โยมจะทำาหรือเปล่าล่ะอีฉันทำกรรมอะไรไว้หรือเจ้าคะท่านสมพานยังจะมาถามอีกก็โยมเป็นต้นเหตุทำให้กานันเขียวตายใช่ไหมล่ะไหนบอกมาซิว่ายโยมไปทำอะไรแกเข้าอย่ากโกหกนาไม่งั้นอาตมาไม่ช่วยนะท่านขู่ไกลไกล อีชันนเ อ, อ่อถีบเขาตกบันไดจ่ะเขาก็เริ่มป่วยมาตั้งแต่บัดนั้นต่อมาสามเดือนก็ตายจาะนี่อีชันก็ตกนรกหรือเปล่าเดาจ้าท่านสมพานนางแต้มถามนึกถึงความผิดที่เคยทำไว้นางถึงกับน้ำตาร่วงเรื่องตกนรกหรือไม่ตกนั้นนะอาตมาตอบไม่ได้เพราะยังเป็นเรื่องไกลตัว เอาเรื่องใกล้ตัวก่อนดีกว่าถ้าโยมอยากจะปฏิบัติทำให้ก้าวหน้าต้องขอขมากําลนันเขียวซสก่อนไม่งั้นปฏิบัติอีกร้อยปีก็ไปไม่ถึงไหนท่านสมพันธ์จะให้ขอขมาที่ไหนจ๊ะในเมื่อแกตายไปแล้วถามอย่างกังขาเอาเถอะอาตมาจัดการให้ก็แล้วกันข้อสำคัญอยู่ที่ว่าโยมเจตนาขอขมาหรือเปล่า ถ้าไม่คิดหรือไม่ตั้งใจจะขอขมาลาโทษอาตมาก็ช่วยอะไรไม่ได้คิดจ้ะอิจฉันคิดอยู่ทุกวันแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีแล้วอาตมาจะจัดการให้แต่ก็ต้องนิมนพระมาสี่รูปรวมทั้งอาตมาด้วยโยมทำพิธีขอขมาโดยให้พระสงฆ์สี่รูปร่วมกันเป็นสักขีพยานทำไมต้องสี่รูปด้วยละ่ะอิฉันอาย ขอให้ท่านสมพานรูปเดียวไม่ได้หรือไม่ได้รอกต้องให้ครบสี่สงรูปเดียวจะไปทำสังฆกรรมได้อย่างไรเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอธิบายงั้นขอห้ารูปได้ไหมจะ๊ะอีฉันเห็นว่าสี่รูปเนี่ยเหมือนกับทำงานศพมันใจคอไม่ค่อยจะดีเลยจะ่ะนั่นแสดงว่ายโยมยังไม่เข้าใจ ญาติโยมก็มักพากันคิดว่าพระสงฆ์สีรูปทําสังฆกรรมจะต้องเป็นงานศพอันที่จริงไม่ใช่เช่นนั้นงานศพจะมีมากกว่าสีรูปก็ได้เช่นเดียวกับงานมงคลจะมีพระสีรูปก็ได้เหมือนกันอิฉันไม่เข้าใจเจ้าค่ะท่านสมพาน์ช่วยอธิบายหน่อยเถอะนางโถอยากรู้และทาไมเวลาสวดศพเขาใช้พระสีรูปละจ๊ะ นางแต้มถามเพราะโยมที่เป็นเจ้าภาพเขากลัวจะต้องเสียเงินมากนะสิถ้านิมนต์มากก็ต้องถวายมากก็เลยนิมนต์เพียงสี่รูปเพราะว่าครบองค์สงพอดีน้อยกว่านั้นไม่ครบองค์มากกว่านั้นก็เสียเงินมากคนก็เลยพากันเข้าใจผิดว่าถ้าสีรูปเป็นงานอาวามงคลส่วนว่างานมงคลต้องเก้ารูปเพราะเชื่อว่าก้า หมายถึงความก้าวหน้าอันที่จริงแล้วก็เป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นงานมงคลจะนิมนต์พระสี่รูปก็ได้เข้าใจหรื อ, อยังล่ะเข้าใจจ้ะนางโถ ก, กับนางแต้มตอบพร้อมกันถ้าเช่นนั้นอีชั้นขอนิมนต์พระห้ารูปจะได้ไหมจ๊ะยังไงยังไงอีฉั้นก็ยังติดอยู่ที่ว่าสี่รูปนั้นสวดศพนางแต้มต่อรองได้ แต่อีกหนึ่งรูปโยมต้องนิมนต์เอาเองนะเพราะออกพรรษาอย่างนี้วัดเรามีแค่สี่รูปถ้าอย่างนั้นเอาสี่รูปก็ได้จ้ะจะได้ไม่ยุ่งยากท่านจะได้ทำพิธีให้อิชันเมื่อไหร่ละจ๊ะนางถามพรุ่งนี้เลยดีไหมโยมก็มาวัดแต่เช้าฉันเช้าแล้วก็เริ่มทำพิธีกันเลยอัฐิของกำนันเขียวโยมยังเก็บไว้หรือเปล่าเก็บจ้ะ อีฉันใส่โกดไว้อย่างดีเลยงั้นก็เอามาด้วยนะให้โยมนุ่งขาวห่มขาวเหมือนกับเวลาเข้ากรรมฐ า, านนั่นแหละแล้วก็หาดอกไม้ทูปเทียนมาถวายพระสี่ชุดต้องปัดใจด้วยหรือเปล่าล่ะจ๊ะอันนี้ก็สุดแล้วแต่โยมอาตมาไม่ใช่พระรับจ้างจะได้เรียกโน่นเรียกนี่เพียงแต่จะช่วยให้โยมเท่านั้น แม่แต้มก็ใส่ของมัทหวายท่านตามศรัทธาก็แล้วกันเรื่องอย่างนี้ไม่น่าจะถามนางโถตำหนิไกลๆจ้ะอิชันขอโทษท่านสมพานด้วยก็แล้วกันเป็นอันว่าพรุ่งนี้อิฉันจะมาแต่เช้าแม่โถมาด้วยนะ นางหาเพื่อนฉันต้องมาอยู่แล้วเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงดีนะที่ขอเข้ามาลาโทษกันเสียแม่แต้มจะได้ปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าปะมะเคราะ ด, ดีจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป็นมนุษย์อีกมันทุกข์เหลือเกินนะท่านสมพานนางพูดเชิงปรับทุกข์อัตมาอธิษฐานจิตอยู่ทุกวันว่าชาติหน้าขออย่าได้มาเกิด ในโลกมนุษย์อีกมีเวรมีกรรมกับใครก็จะก้มหน้าก้มตารับกรรมใช้ใช้ไปให้เสียให้หมดจะไม่ขอเกิดอีกแล้วพระเจริญปรับทุกบ้างสาธุขอให้ท่านสมพาน์สมความปรารถนาเถอนนางโถยกมือขึ้นสาธุจริงดังที่สมพาน์วัดป่ามะม่วงได้พูดไว้เมื่อขอขมาลาโทษสามีแล้ว จะทำให้นางแต้มปฏิบัติธรรมก้าวหน้าเพราะหลังจากที่นางแต้มได้ทำพิธีขออโหสิกรรมต่อกำนันเขียวแล้วนางก็สามารถเข้าผลสมาบัติได้นานถึง12ชั่วโมงคือตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มญาติโยมคนอื่นๆเขาก็พากันกลับไปหมดรวมทั้งนางโถซึ่งก่อนกลับก็ได้ฝากฝังเพื่อนไว้กับแม่ชีก้อนทอง เพราะรู้ว่านางแต้มคงไม่กล้ากลับบ้านในเวลามืดมืดค่ำค่ำเพราะไหนจะกลัวงูเขียวเคี่ยวขอไหนจะกลัวพวกมิจฉาชีพที่คอยดักจี้ผู้คนได้ทรัพเพียงเล็กน้อยก็ขอให้ได้ทําตามวิสัยของคนใจบาปหยาบช้าออกจากผลสมาบัติแล้วนางแต้มจึงแผ่เมตตาและอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้กํานันเขียวสามีผู้ล่วงลับ นางรู้สึกแช่มชื่นใจยังบอกไม่ถูกกิเลสตัณหาที่ร้อยรัดจิตใจมาหลายพบหลายชาติถูกทำลายไปหนึ่งในสี่ส่วนอีกสามส่วนที่เหลือตั้งใจว่าจะเพียรพยายามกําจัดมันให้ออกไปให้หมดสิ้นถึงอย่างไรก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสงสารสาคอนนี้อีกไม่นานเกินเจ็ดชาติวันพระถัดมา แม่ชีวัยกลางคนพร้อมด้วยเพื่อนชีอีกสามคนได้เดินทางมาวัดป่ามะม่วงครั้นพากันมากราบจเจ้าอาวาสแล้วคนที่เป็นหัวหน้าก็แนะนำตัวเองว่าฉันชื่อเจียนจะ่ะมาจากวัดบ้านใต้ฉันกับเพื่อนชีอีกสามคนจะมาขออาศัยอยู่วัดป่ามะม่วงจะเห็นว่าวัดนี้เป็นสำนักวิปัสสนาฉันอยากจะมาปฏิบัต แล้วก็อยากจะมาช่วยดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารที่วัดบ้านใต้เขาไม่มีการปฏิบัติกันหรือพระเจริญถามไม่มีจ่าที่วัดมีพระจำพรรษาอยู่ยี่สิบห้ารูปชี้สิบรูปแต่ไม่มีการสอนวิปัสสนาแม่ชีเจียนตอบแล้วทำอะไรกันบ้างละ่ะถ้าไม่ปฏิบัติแล้วทำอะไร ก็ไม่ได้ทําอะไรจ้ะนั่งๆ น, นอนๆไปวันๆฉันก็เลยเบื่ออยากจะทําประโยชน์บ้างทั้งประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านก็เลยคิดอยากจะมาอยู่วัดนี้จ้ะแต่ที่นี่ไม่มีสํานักชีน่ะสิแม่ชีก้อนทองอยู่รูปเดียวอาตมาให้อยู่บนศาลาหลังนี้ถ้าโยมเห็นว่าพออยู่ได้ก็อยู่ไปก่อนวันหน้าวันหลังค่อยขยับขยาย อยู่ได้ไหมล่ะได้จ้ะโบราณว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากฉันว่าคับที่ยังดีกว่าคับใจจ้ะเพื่อนชีคนหนึ่งตอบอยู่ที่นี่มันคับอกคับใจอย่างไรหรือท่านถามชีรูปนั้นตั้งท่าจะเล่าแต่ถูกแม่ชีเจียนขยิบตาเข้าใส่จึงต้องนิ่งไม่มีอะไรหรอกจ้ะ อยู่กับคนหมู่มากก็ต้องมีเรื่องคับอกคับใจบ้างเป็นธรรมดาเพราะว่าต่างจิตต่างใจกันขนาดตัวเราใจเราบางครั้งก็ยังขัดแย้งในตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาจ้ะฉันต้องกราบขอบพระคุณท่านสมภารที่เมตตาพวกฉันขอลาจะไปขนสัมภาระก่อนจะขอเข้ามาอยู่วันนี้เลยแล้วสมภารวัดนั้นท่านว่าอย่างไรล่ะบอกลาท่านหรือยัง ยังเลยจ้ะฉันคิดว่าจะกราบเรียนท่านต่อเมื่อได้อยู่ที่ใหม่แล้วประเดี๋ยวจะไปกราบเรียนท่านให้ทราบแล้วก็จะลาท่านด้วยพวกอีกฉันขอตัวก่อนละจ้ะต้องไปเก็บข้าวของอีกมากไมล่ล่ะข้าวของที่ว่าน่ะต้องใช้เกวียนกี่เล่มจึงจะบรรทุกหมดพร ะ, จะเจริญยาวไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจ้ะ จ้างเขาพายเรือมาส่งบรรทุกข้าวของลำหนึ่งบรรทุกคนลำหนึ่งไม่ต้องใช้เกวียนจ้ะแม่ชีตอบชี้สี่รูปลุกออกไปแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงพูดกับโยมว่าดีเหมือนกันจะได้มีคนมาช่วยดูแลวัดต่อไปถ้ามีคนมาเข้ากรรมาฐานมากๆจะต้องมีโรงครัวจะได้มีแม่ชีกลุ่มนี้ไว้ช่วยงาน ลำพังแม่ชีก้อนทองนั้นทำไม่ค่อยได้รอกเพราะอายุเก้าสิบแล้วให้แกสวดมนต์กับเทวดาไปก็แล้วกันสมภารพูดยิ้มยิ้ม